ตระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามประสูตรที่สิบปดนลกะปานสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านชื่อนลกะปานะพระผู้มีพระภาคประทับนบป่าไม้ทองกวาวใกล้หมู่บ้านชื่อนลกะปานะสมัยนั้นกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคหลายท่านด้วยกัน คือพระอนุรุตพระพัทธิยะพระกิมพิละพระพักคุพระโกนธัญญาพระเรวตะพระอานนทและกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงอื่นๆพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับในกลางแจ้งตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าผู้ที่ออกบวชอุทิศเรายินดียิ่งในพรหมจรรย์หรือตรัสถามถึงสามครั้ง ภิกษุเหล่านั้นก็นิ่งอยู่พระผู้มีพระภาคจึงตรัสประบุพวกพระอนุรุษมีรายนามดังกล่าวข้างต้นแต่ใช้คำว่าอนุรุตธาหมายถึงอนุรุธและพวกซึ่งพระอนุรุษก็กราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายยินดียิ่งในพรมจรรย์จึงตรัสว่าดีแล้วแล้วตรัสถามว่าออกบวชเพื่อทำที่สุดทุกข์ ใช่หรือไม่พระอนุรุธก็กราบทูลรับว่าใช่จึงตรัสถึงหน้าที่ที่ผู้บวชแล้วพึงกระทาว่าถ้าไม่ได้บรรลุปีติและสุขอันสงัดจากกามอันสงัดจากอกุศลธรรมหรือปีติสุขที่สงบระ ง, งับกว่านั้นแล้วอภิชาคือความโลภความคิดปองร้ายความหดอูง่วงงุนความลังเลสงสัย ความฟุ้งซ่านรําคาญใจความไม่ยินดีในกุศลธรรมความเกียดคร้านก็จะครอบงำจิตตั้งอยู่ได้ต่อได้บรรลุปีติและสุขเช่นนั้นหรืออย่างอื่นที่สงบระงับกว่านั้นกิเลสดังกล่าวจึงไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่ได้ตรัสถามว่าเธอคิดว่าตถาคตและอาสวะไม่ได้ จึงพิจารณาแล้วเสพพิจารณาแล้วอดทนพิจารณาแล้วเว้นพิจารณาแล้วบันเทาคือทำให้น้อยลงใช่หรือไม่กราบทูลว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นประตถาคตทรงละอาสวะได้แล้วจึงทรงทำเช่นนั้นตรัสรับรองว่าเป็นเช่นนั้นตรัสถามต่อไปว่าตถาคตเห็นอำนาจประโยชน์อะไร จึงพยากรณ์เมื่อสาวกตายไปว่าผู้นี้ไปเกิดในที่โ น, น้นน้นพระอนุรุษกราบทูลขอให้ทรงตอบจึงตรัสตอบว่าที่ทรงพยากรณ์เช่นนั้นไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อเรียกร้องคนให้มานับถือไม่ใช่เพื่ออานิสงสารสการะหรือชื่อเสียงไม่ใช่เพื่อให้คนรู้จักเราว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่มีกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีและปราโมทอันกว้างขวางได้สดับแล้วก็จะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นเช่นนั้นคือหมายถึงตามที่ทรงพยากรณ์ว่าไปเกิดในที่ดีๆอย่างไรข้อนั้นยอมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของกุลบุตรเหล่านั้นแล้วตรัสขยายความในเรื่องนี้ว่าจะเป็นการเอาอย่างในทางที่ดี ในเรื่องศรัทธาศีลสุตตะการสะดับฟังหรือการศึกษาจาระหรือการสละและปัญญาหมายเหตุผู้อ่านอยากให้สังเกตรพระสูตรนี้ให้ดีนะครับถึงข้อความที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระสาวกเองว่าท่านทรงพยากรณ์สาวกที่ตายไปว่าผู้นี้ไปเกิดในที่โน้นเพราะอะไร จะเห็นได้ว่ากับบุคคลที่สมควรจะฟังเรื่องพวกนี้ท่านก็ทรงอธิบายและเล่าให้ฟังนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องตรงกันข้ามกับบุคคลที่ไม่สมควรฟังไม่สมควรเล่าให้ฟังซึ่งในพระสูตรก่อนหน้าที่ผ่านมานั้นก็ทรงตรัสกับบางคนว่าเรื่องพวกนี้ตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่อะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องดับทุกข์และจะไม่ทรงพยากรณ์ฝังให้พิจารณาให้ดีนะครับ การศึกษาพระธรรมการศึกษาพระไตรปิฎกจะต้องรอบรู้รอบครอบและรู้ถี่ถ้วนทุกในยะด้วยนะครับไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นกล่าวตู่พุทธพจน์และจดจำพระคำภีแบบผิดผิดอันส่งผลเสียหายต่อตนเองและพระศาสนาในวงกว้างได้ต่อไป